แต่เ็ควาจริงนะวันนี้เราไม่สามารถทำทับใครไดนะ้เนาะแต่ถ้าพี่วิ่งเห็นผมอยากไปแน่ว่าว <c oughs> ันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมาทำงานตรงนี้ด้วยกันนะครับมันจะง่ายนะครับแล้วมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยการการมีเงินหลายๆกระเป๋านะครับกับการมีเงินกระเป๋าเดียวผมว่ามันเสี่ยงนะการมีเงินกระเป๋าเดียว <c oughs> ถ้าเลือกได้วันนี้พี่อยากมีกระเป๋าละหนึล้านบาทหึงกระเป๋าหรือมีสัก 5กระเป๋าเป๋าละ 200,000 นี่ฮะจริงั้มไข่ไก่เอารมาอาวมไว้ตะกล้าเดียวถ้ามันตกแตกมันแตกหมดเนาะแต่ถ้าวันนี้พี่กระจายกระเป๋าอ่ะกระจายไข่ไก่ไว้แต่ละตะกร้าครับต่อให้มันตกตะกร้าเลยครับมันก็ยังมีตะกร้าสำรองอยู่หลายตะกร้านะครับตองไม่ได้ตองไม่ได้คาดหวังนะครับว่า QQ เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากพอที่ทําให้คนนะครับไม่ต้องลงทุนสูง สามารถใช้งานได้ปกติสามารถใช้ช่องทางการเงินนี้ยสามารถใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาทั่วไปมีหนึ่งันบาทต่อเดือนตอนมีหนึ่งพบาทต่อวันพี่ก็มีสามหมื่นต่อเดือนนะวันนี้เราเรียนปริญญาตีจบมายี่สิบปีเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะหนึ่งกับบาทสองหมื่นแต่ถ้าวันนี้คิวอ่ะเล่นยันง่ายๆสบายๆมีแล้วได้วันละ1นึ่พันเดือนหนึงสามหมื่อีกกระเป๋าหนึ่งโอเคไหมครับโอเคถ้ า, าวันละสองพันละเดือนนึงเท่าไหร่นะ 6 0 0มือยู่อยู่ได้ไหมย <า S 1> อยู่ได้เนะ<ย>าะถ้าวันละสา0พันแะครับเดือนนึงเกือบแสนแล้วนะบางคนคิดไม่ออก <ừ. S 1> คือมองไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะยังไงกลัวกลัวเสียหนึ่งพันี่นะหนึ่งพันวันนี้เราเดินเข้าโดตัสหมดลเลยนะจริงไหม<อ>เผื่วับเดียวเกลี้ยงเลยนะแต่นี่นะนเป็นเหมือนเป็นเหมือนพิติหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาเงินน้อยๆมามลงทุน แล้วสามารถทําแบบมืออาชีพโดยใช้ช่องทางที่เรียกว่าโซเชียลตัวนี้นะในการงอกเงินของเรานะครับอ่ะก็ตรงไม่อยากให้พี่ตัดสินใจจากสิ่งที่พี่เห็นแล้วกันนะครับว่ายุคสมยัยมันกำลังเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าวันนี้เราไม่ลรีบหาเงินจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ใช้งาน ท, าทันทีในอนาคต ท, ที่มันจะถึงนี้ถ้าเลือกได้ในยุค IoT ที่จะถึงเนี้พี่อยากเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ใช้งานหรือเป็นเจ้าของกิจาการเดียวเจ้าขอเจ้าของไหม แล้วถ้าวันนี้ถ้าการเป็นเจ้าของพี่พี่ต้องลงทุนเป็นสิบล้าน2ี่บล้านเนี่ยเรามีเงินลงทุนไหมฮะไม่มีเราก็เทียดจรงไหมแต่ถ้าวันนี้ลงทุนห0 0 0บาทโอเคไหยครับโอเคโอเคกว่าเยอะเลยเนาะะฮะคนนักแข่งใครร่วมไหมครับไม่ร่วมเนาะนะฮะกันอยู่ดีนะโอเคนะครับ <S <S ถ้างั้นครับวันนี้ครับเราตัดสินใจแล้วถ้าเราจะเป็นห้องโริกาเราเริ่มจากการสมัครสมาชิกครับแล้วก็ซื้อพื้นที่คอนเทนต์ราคาเท่าไหร่ครับ่พมีมีใครมีปัญหาม มีไหมไม่มีเนาะมีครับหูหนึ่งพันเลยเหรอพี่มีไหมหวังว่าผมผมให้มองอย่างนี้แล้วกั น, นหนึ่งพันเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะถ้าไม่รู้ว่ามูลค่ามันคืออะไรน้อยทันทีถ้าเรารู้ว่ามันทําอะไรให้เราได้บ้างจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับสื่อสารตรงนี้นะครับให้มีมูลค่าวันนี้ถ้าผมมามาทําให้พี่พี่เห็นว่ามันเล็กกระจิ๋วเดีดดเยวมันทำเงินให้พี่ไม่ได้เลย1นึ่พันก็ไม่ฟังหรอกครับ แต่ถ้าวันนี้ผมทาให้พี่เห็นว่านะครับมันเป็นช่องทางที่เราจะใช้งานตรงนี้แล้วเสดเงินหลัก้านได้จากเงินแค่1นึ่ันบาทได้เขาก็จะเสียเงี้กับพี่นะครับเขาก็จะเดินไปกับพี่พี่ก็จะมีทีมงานมีคนที่ใช้งานตรงส่วนนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับอ่ะเราเริ่มต้นใช้งานแบบมืออาชีพนั่นหมายความว่าวันนี้พี่จําเป็นต้องรู้จริงๆว่ามันมาแาบไหนบ้างนะครับรายได้มายัางไงนะครับเอสมัครสมาชิกยังไง โพสคอนเทนต์ยังไงนะครับตรงแนบสลิปยังไงแบบนี้ครับดูสายางานยังไงนะครับคือใช้ให้เป็นจริงๆเพื่อที่เวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันใช้งานรุ่นี้ได้ยังไงพี่จะได้ตอบได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆจากการชวนเพื่อนแค่2คนสองคนจริงๆนะครับ2คนนะครับวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากการชวนเพื่อนสองคน ซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีเกมหนึ่งนะครับที่เรากำลังเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมอาจจะเขียนให้พี่ๆดูนิดนึงนะครับหลบแป๊บนึงนะพี่ครับเนี่ยไปนะฮะแป๊บนึงนะครับคือจะเก็บโปรเจคเตอร์กับทีมงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับกเดียวนะฮะผมไม่ใช่ออกเขียนได้น้ะ ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ น, นิดนึงนะครับเกมนี้แหละผมให้ชื่อเกมนี้ว่าเกมนี้สองสอง ส, องสองมีใครเคยเห็นเกมนี้แล้วบ้างเหมีไหมมีเนาะมีเนาะใครใค ร, ใครเคยเห็นคลิปผมที่เล่นเกม2องสองในยูทนะูบบ้างนะฮะคือแบบนี้ครับเกมสองสองสอเนี่ยมันง่ายมากนะครับคือ2ตัวแรกนะครับก็คือตัวเรานะครับตัวเรานะครับเราชวนเพื่อนสองคนครับชวนเพื่อนสคนแบบนี้นะฮะ ชวนเพื่อนสองคนนะครับสองตัวหลังคือให้เพื่อนสองคนเนี้ยนะครับมีเพื่อนสองคนนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะในสองวัน <c oughs> เป็นอันจบหน้าที่ค่ะผมมาให้ดูตรงนี้กันตัวเราเนี่ยชวนเพื่อนสองคนที่เขาอ่ะอยากได้เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันกับเราเขาเข้าใจเหมือนกันเนี่ย แล้วก็ช่วยให้สองคนเนี่ยมีเพื่อนคนละสองในสองวงันพี่ๆดูดีนะฮะไอ้รายได้ข้อที่สองเนี่ยวันเกิดตรงนี้แหละนะครับสองสองสองไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเรามีกี่ชั้นนะครับเมื่อกี้ยี่สิบชั้นยี่บชั้นเท่าไหร่นะครับยีสชั้นคุณค่านท่าไหร่ฮะยี่สิบล้านใช่ไหมถ้าวันนี้เราเล่นเกมแบบเดียวกันเราเล่นเกมแบบเดียวกัน่ะทุกคนซื้อไอเดียแล้วซื้อความคิดเนี้ยแล้วทําเป็นนะ่ เราเล่นเกมนี้พร้อมๆกันทพี่ดูนะวันเกิดอะไรขึ้นสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสาสองไล่ลงมาเรื่อยวันละสองวันละสองวันละสองวันละสองทุกคนทำวันละสองสองสองสองสองภายในสองวันยี่สิบชั้นของพี่เนี่ยในสามเหลี่ยมของพี่เนี่ยนะฮะยี่สิบชั้นเนี้ยมันจะเต็มเปรี้ยเลยเปรี้ยเลยนะฮะในสี่สิบวัน ถ้า40วันเนี้ยนะครับคอมพิวเตอร์เพลสคนแล้วเราเล่นเกมนี้ยสอง2องอ่ะมาทุกคนอ่ะ20วันเงิน1นึ่พันพี่อ่ะไปเป็น20ล้านหน้าพี่โอเคไหม <Okay. S 1> โอเคโอเบามากเลยโอเคไหมฮะโอเ ค, อเคพี่ดูนะทฤษฎีไม่มีโกหกต่อให้ทำไม่ได้จริงๆมันได้มาสักแสนนึงพี่โอเคไหมฮะ <Okay. S 1> โอเคนะโอเคเนอะแล้ววันเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะอะไรรูนะ้ไหม ปกติเป็นไงฮะถ้าเราทําธุรกิจที่เป็นในด้านวินดิ่งมีขาอ่อนขาแข็งกว่าจะหาตั้มตอได้เป็นไงหอบไหมหืดไหมวันนี้คอมพิวเตอร์มันจะเพรสคนอัตโนมัติครับแสดงว่าตรงไหนวัววัวแหว่งแหว่งอ่ะมันจะไปเติมให้มันจะไปเติมให้นี่นะมันจะไม่มีขาอ่อนขาแข็งมันจะมีแค่จุดที่โตพอมีจุดที่โตปุ๊บเมื่อมีการสมัรไส้มันจะเพรสคนลงในจุดที่แหว่งก่อน แสดงว่ามันจะเต็มทุกชั้นะเต็มเต็มต็มต็มเต็มลง ม, ม, มาเรื่อยพี่ไม่ต้องกลัวเลยครับต่อให้วันนี้นะฮะสมมตินะมีคนคนเนี้เก่ง ม, มากเลยแล้วพี่สมัครเข้ามาพี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็ไม่รู้จะไปชวนใครเลยพี่ว่าวันนี้สามเหลี่ยมของคนนี้เขาต้องเต็มไหมเต็มนั่นหมายความว่าถ้าสามเหลี่ยมเขาเต็มสมเหลี่ยมพี่ก็ต้องเกิดจริงไหมครับต่อให้พี่อยู่แบบไม่ทําะไรเลยนะสามเหลี่ยมพี่ยังไงก็เต็มสมเหลี่ยมพี่ยังไงก็เต็ม แต่คำถามคือมันช้าแล้วมันก็ได้น้อยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เรารับผิดชอบร่วมกันเราเล่นเกมเดียวเนี่ยสองเนี่ยนะครับแล้วเราให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่โซเชียลมเวิร์ที่มีรายได้ได้นะฮะสีวันนี้ถ้าเต็มที่ถึงชั้นของบอลนะมันมีคนพลิกชีวิตไม่รู้กี่คนอยู่ในนัเมื่อมีคนได้20ล้านมันจะมีคนได้10ล้านมันจะมีคนได้5ล้านมันจะมีคนได้ 2.5 ล้านมันมีคนได้ 1.75 ล้านเยอะ อะไรที่เกิดขึ้นนะครับถ้างั้นแสดงว่าวันนี้ฮนะ0 0ึนของพี่นะครับผมบอกคนระับไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กำไรแน่นอนถ้าเราทำเป็นนะครับเล่นเกม น, นี้ด้วยกันไปกับผมมาฮ้อมกันนะครับยังไงก็เกิดวันนี้ฮนะเราไม่ได้มีแพลนแค่ในประเทศไทยนะครับเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับจุดต้นกำเนิดเดียวกับอาลีบาบาจุดต้นกำเนิดเดียวกับ Facebook จุดต้นกำเนิดเดียวกับ Google วิต่างๆยั่งยืนต่างๆที่อยู่ที่นั่น ะะถ้าใครไปดูเซิร์ฟเวอร์ใครไปดูข้อมูลของซีริคอนเวเลต์คุณจะเห็นเลยนะว่าดินแดนของ IT จริงๆอะ่ะอีกหน่อยฮ ะ, ะเมื่อเพจคิวๆถึงจุดจดุดเดน่คุณจะเห็นว่าวันนี้มันมีธงไทยไปปักที่ซีริคอนเวเลตเลยะครับมีพูดจริงถ้านั้นแสดงว่าเราไม่ได้มีแผนแค่หนประเทศไทย รเรามีแผนที่จะกระจายหนอดตรงเนี้ยไปทั่วโลกแต่ทําไมเราถึทางทําที่ประเทศไทยก่อนล่ะครับเพราะว่าวันนี้คนที่คิดโปรแกรมแบบเป็นคนไท ย, ยครับเขาทําให้เงินน่ะเกิดขึ้นในประเทศก่อนจากนั้นเมื่อมีการเปิดเวอวานมันจะดึงเงินเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากมหาศาลมากนะครับตบมือให้งงสั่ทีหนึ่งนะ อยากให้พี่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือต้องโปร่งใสใช่ไหมฮะการทางานต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นพี่จำเป็นต้องรู้ว่าหนึ่พของพี่นะครับไปไหนบ้างจริงไหมฮะหนึงพไปไหนบ้างนะครับขอแจกแจงให้ดูนะครับ 1, ว่าห0 0่นไปไหนบ้างนะครับหนึ่เท่ากับหนึเปบางคนบอกว่าวันนี้ชวนเพื่อนหนคนนะครับ 50% าเป็นก็คือ5้าบาทจริงหมห้าร้บาทวิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์ แล้วบริษัทเน่ได้500้ยเลยโอ้โหแบบนี้สมัครแป๊บนึงโอ้โหคนก็ได้บริษัทก็รวยเลยสิพี่ว่าใช่แบบนั้นไหมไม่ใช่อะอยากให้เห็นนะฮะเนี้ยนะครับไปที่ผู้สนเซอร์สแสดงว่าในึ0 0 0นเนี่ยมันเหลือมันอีกเท่าไหร่ะะ 500, 50นะ5 0 0อคอเนาะอีก 20% นะครับไปที่ตรงนี้นะเราจะได้รายได้อันนี้สปอนเซอร์ข้อที่1เนาะข้อที่2อคืออะไรนะครับ 1%, 1 20รชั้นใช่ไหมฮะเร์เชั้น 1% งคูณ20ชั้นเท่ากับ 20% ่สไหมครับ2ีบ่เปอนเาะไม่ไม่ขาดไม่เกินถ้าจ่ายไม่ขาดไม่เกินโอเคไหมฮะไม่ไมนะฮะมีเงินจ่ายแน่นอนนะครับแต่หนรชั้นก็อยู่ในได้ข้อที่ 2, 2> นะครับ รายได้ข้อที่3ไม่เกี่ยวนะครับกับตัวนี้รายได้ข้อที่3าเป็นเรื่องของยูเซอร์กับยูเซอร์นะฮะผู้สนับสนุกับทีมงานนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในรายได้ข้อที่4นะครับอีก 20% ไปที่ Vi วคอนเทนต์วิวคอนเทนต์นะครับในรได้ข้อที่4นะครับเหลือเท่าไหร่ครับ <4. S 1> เหลือเป็นะฮะเป็นแบบนี้ฮนะตอนที่เราสมารเข้าไป 1,000 เนี่ย เราจะเป็นต้องมีมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับ 7% นะครับแล้วอีก 3% เนี่ยตอนเนี้ยคงเหลือสุดทิถักจากแวดแล้วหักจากตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ ย, ยค่อยเข้าซิสเต็มแสดงว่ามา r g จิ้นของตัวเพจคิวิวจริงๆบริษัทได้เท่าไหร่ฮะ 3% 90% คืนไปที่ User หมดเลยครับตรงที่องค์ไหครับ ผมบอกเลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราติดภาพเนะเออบริษัทอยู่ในเออทำไรายได้เท่าไหร่มันเป็นภาพเกา่าๆวันนี้เขาออกแบบช่องทางนี้มาให้คนเนี่ยทำเงินให้เงินน่ยอยู่ในระบบได้ให้คนน่ยมีช่องทางเงิได้แต่ถามว่าบริษัทจําเป็นต้องมีกําไรไหมเพื่อที่จะให้สิสต์แม่คงอยู่ก็ต้องจําเป็นต้องมีถูกต้องไหมครับผมเลยเรียนข้อได้จริงให้เลยครับว่าวันนี้นะเราต้องยอมให้บริษัทมี Margin 3% ยอมได้ไหครับ ได้นะเราแต่เราได้ 90% นะโอเคไหมโอเคนะครับฉะนั้นครับวันนี้ครอยากให้ทุกคนเข้าใจถ้ามีคนบอกโอ้งั้นงั้นน่ยบริษัทก็ได้500เลยสิพี่ต้องสื่อสารได้นะว่าเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนเน่ยเห็นความสำคัญตรงนี้มากเลยในเรื่องการสื่อสารเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเขาจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตของเ้านะครับฉะนั้นครับหนึ่งพันตรงนี้นะครับเคลียร์นะว่าเงินไปไหน เงียบเลยเคียะไหมฮะเคียะถ้าวันนี้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายข้อที่สามมากรบารมุงได้เนี่ยพี่ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหมฮะถูกต้องถูกต้องถ้าวันนี้สบวบอกว่าของคุณเน่ยแนะนํามาเองพี่ฟังคนนี้สบวแนะนำคาพูดให้ใช้เองเลยแนะนำการสร้างไรายได้เลยในข้อที่หนึ่งยคุณว่าสบวเขาว่าเราไหมว่าเป็นธุรกิจผีดกฎหมายไม่จริงๆริะครับไม่ต้องมีคํายืนยันอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเรื่นีมันคือ w o r l d w i d มันไม่ใช่ในลักษณะของบริษัทมันไม่ใช่คือเราไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องนี้ผมบอกเลยนะความโปร่งใสมันอยู่ตรงนี้ะครับถูกกฎหมายเมื่อมันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นครับพี่ให้เบาสบายแล้วคือแบบสบายใจได้เลยว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอะ่ะไม่ผิกดกฎหมายสบายๆนะครับถ้าถามถ้ามีใครถามเรื่องถูกกฎหมายไหยต้องตอบได้นะครับโอเคไหมครับโอเคโอเคนะนะครับ ฉะนั้นนะครับใครจะเล่นเกม222ไปกับผมไหมฮ ะ, ะอ๋ออโอเคชื่นใจนะฮะชื่นใจผมข้างหลังยกมากเลยฮ ะ, ะโอเคครับอะทีนี้นะครับาในเรื่องของคำถามแล้วตอนนี้ผมจะลงมีใครจะถามอะไรผมไหม